เอาต่อนนี้ไปตั้งใจฟังคณะชาธาไทยญาติโยมโลูกหลานถ้าว่าใครมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเนี่ยปิดโทรศัพท์นะและอย่าคุยเวลาโทรศัพท์ดังขึ้นมาอย่าคุยลกวนคนอื่นเขาเพราะว่ามาที่นี่มาฟังมาเข้าพิธีมาเริ่มมามาร่วมพิธีฟังถ้าว่าเราทำอย่างนั้นแปลว่า เราทำไม่ถูกกาลเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลการอย่างนี้สถานที่อย่างนี้เวลาอย่างนี้พวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดถ้าเราทําไม่ถูกมันขวางมันขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางครูบาอาจารย์ขวางศีลขวางธรรมไปหมดนะพราะเราทําไม่ถูกนะ คนนั่นขอให้พวกเราคณะชาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดในหลักทำคำสอนในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะกล่าวไปเลยนะกล่าวสมโภชนิยคาถาคือกล่าวต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์น้องนุ่งทางหลาย ที่มาร่วมงานตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้ที่มาร่วมหรือว่าผู้แสดงความจำนงตั้งโรงทานเลี้ยงลูกหลานถวายอาหารพระสงฆ์ในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าเรื่องด ว, ว่ตต้นเรื่องหรือเป็นผู้ที่คณะทาญาิโยมหรือน้องนุ่งทั้งหลายให้ความสำคัญ ที่มาร่วมมาในงานของหลวงพ่อคือวันเกิดหลวงพ่อเกิดวันที่27เมษายนพุทธศักราช2488เป็นหน้านับดูแล้วหลวงพ่อว่า70เต็มพอดีแล้วก็จะข้าย่างข้อ71แล้วพรรษาที่หลวงพ่อบวชมาชีวิตทั้งชีวิตถ้าว่าไม่พูดให้ลูกหลานฟัง ลูกหลานก็คงจะสงสัยว่าเออหลวงพ่อเนี่บวชมานานเท่าไหร่อย่างไรแต่หลวงพ่อก็เคยบวชมาหลายครั้ง เ, เคยพูดมาหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าคณะทศไทยญาติโยมบางท่านบางคนก็คงได้ยินแต่บางคนก็คงจะยังไม่ได้ยินเพราะว่ามามากมาใหม่หลวงพ่อก็พยายามพูดให้ฟังแต่นานทีหลวงพ่อจะได้กล่าวให้ฟังหลวงพ่อบวชปี 2008, ศศ8นยในคณะทศไทยญาติโยม ปีนี้เป็นปี58ท้านับพรรษาแล้วก็หลวงพ่อใน50พรรษานะลูกหลานบางคนก็ยังไม่ได้เกิดยังไม่เกิดอีกต่างหากแต่รับทั้งนับทั้งสัมเมเนนเข้าไปด้วยปี2500เพราะหลวงพ่อในบวชปี25เป็นสมมเมนนปรึงพุทธกาลคือปรึงพุทธกาลคือ25นะหลวงพ่อบวชปี25เป็นสัมเมเนน บวชมาเป็นสั ม, มนเนนมา8ปีแล้วก็บวชเป็นพระปี08ปีนี้ก็ปี58เป็นพระทั้งหมด50ปีรวมกันแล้วก็เป็นสัมมนเนน8ชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อปวดอยู่ในอยู่ในพระพุทธศาสนาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา58ปดปีนะคณะสัตยาติโยมโลูกหลานพระเนนน้องนุ่งทั้งหลายหลวงพ่อท่าจะว่าไปแล้วก็เป็นชีวิตที่ ยาวนานทีเดียวแต่ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อเขมองตัวเองเหมือนกันนะลิบหลีฮะเหมือนกับ น, น้ําที่มันไหลขึ้นมาแล้วมันคงจะไหลลงไปเรื่อยๆไหลเร็วลงไปเรื่อยๆแต่ถึงยังไงกรรมฐานอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยจะยืนนานไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้70กว่าปีแล้วนะเห็นไหม อายุ80ปีเคยเห็นไหมพอเห็80ปีเราก็เคยเห็นรุ่นพี่ของเราจะเป็นคณะัาธา ญ, ญาติโยมหญิงชายครูบาอาจารย์การล้วนแล้วแต่มองดูแล้วก็อืเท่า เ, เดินดูแล้วก็ไม่คล่องแคล่วพร้อมที่จะหกล้มกลมกะชีวิตต่อไปพ่ายภาคนาแต่จะทำยังไงได้แก่ ความแก่เกิดมาแล้วก็แก่ออและกัความเจ็บนั้นไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ว่านหนุ่มว่าแกเออ่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถึงยังไงก็ต้องมี เ, ออเจ็บป่วย เ, ออเป็นธรรมดา จ, จากนั้นก็ถึงจุดจบของชีวิตเพราะนั้นชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาทั้งหมดนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างหลวงพ่อให้กับคณะทาญาิยาโยมทั้งหลาย มองดูมองดูที่ชีวิตของหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยจริงไหมพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ปฏิเสธนะแต่ทั้งยังไงไม่ใช่แต่ชีวิตของหลวงพ่อนะชีวิตของคณะทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่าก็เดินตามหลังกันไปเรื่อย เ, อเดินตามหลังกันไปเรื่อยหลวงพ่อก็เดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินตามหลังศรัทธาญาติโยม ผู้เกิดก่อนกับไปก่อนไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่ในสถานะที่จะเดินตามพ่อแม่ครูบาอ า, า, าจารย์จัตฐานญาติโยมไปเรื่อยๆเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์เราจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้มากที่สุด เพราะว่าชีวิตของเราจะยืนนานพิสักเท่าไหร่ไม่มีเราไม่รับประ ก, กันไม่ได้อาจจะขึ้นไปนี่อาจจะนอนหลับตายก็มีมีมากต่อมากเรื่องวิธีการตายของมนุษย์ชาติเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัาาตยาธิโจมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมงานของหลวงพ่อก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะว่าชีวิตของพวกเรา ตายแล้วไม่ศูนย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานถึง58ปีอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่หลวงพ่อเข้าไปถ้าเป็นพระกรรมฐานนะถ้าเป็นฝ่ายปริยี่ยหลวงตาก็เคยพูดให้ฟังเออท่านก็บอกว่าออ ทางฝ่ายปริยัติบางคนบางองค์ท่านก็บอกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วแต่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานของเราเนี่ยท่านบอกว่ามรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงวาไม่หายไปไหนเหมือนกับเราจับไฟจับในครั้งพุทธกาลคอร้อนจับในครั้งนี้คอร้อนเหมือนกันอันนี้มรรคผลนิพพานก็ลักษณะอย่างนั้นละ่ะถ้าว่าผูดด้ใะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานก็ยัง ยังต้อนรับพวกเราอยู่เนี่ยอันนี้คือครูบาอาจารย์และท่านก็เน้นทุกองค์อีกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกถามองค์ไหนก็องค์นั้นเพราะเหตุไรถึงท่านไม่ถามถึงท่านจะไม่บอกว่าตายแล้วเกิดกระเถะนะแต่วิธีการพูดรือวิธีการแนะนำสังสอนของท่านนะท่านบอกได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นในยุคสมัยนี้คู่คนทั้งหลายที่มานับถือด้วยว่า ได้เข้ามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมหรืออยู่วงนอกพระพุทธศาสนาหรือว่าผู้ได้เรียนทางโลกมาก็ลืมไม่ก็คิดว่า เ, เกิดขึ้นมาแล้วก่อนเป็นธรรมชาติแล้วก็ตายไปมันก็จบไปแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะ มันจะไม่สูญนะคนักสตัยนญาติโยมนั่งภาวนาเถอะเมื่อจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เ, ออเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนั้นคนละอันกันนามธรรมากับรบูปวัตถุธรรมมันเป็นคนละอันกันชัดเจนเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาคกรรมฐานยายสายหลวงปู่มั่นของพวกเราจะไม่ว่าองค์ไหนที่เป็นสิทธิญาณิสิทธิ ถึงขนาดนี้ก็เถอะที่น้องหนุ่งทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ทั้งหลังหลวงพ่อเนี่ยถ้าองค์ไหนภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วหายสงสัยเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ต้องพิสูจน์เราไม่ต้องถามใครรู้ด้วยตนเองเหมือนเมื่อเราเอ่อทานเผ็ดหรือทานเค็มทานหวานเนี่ยนั้น พอลิ้นแตะเท่านั้นแหะเราก็รู้ว่า น, นี่ืออ น, นี้เผ็ดอันนี้เค็มอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวเราจะรู้ได้นี่ก็เหมือนกันใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายและเกิดได้ตายแล้วศูญเห็นชัดเจนในความรู้สึกของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคัศระทายญาติโยมโลูกหลานน่าจะเชื่อหรือตายใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอ เพราะนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติตนหรือวันนั่งสมาธิอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างที่ท่านบอกว่าเออนั่งสมาธินะสุดท้ายญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่บ้านว่างๆเดิน อ, อยู่ลาพังตามอยู่ตามลําพังเไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์นะคือท่านเราจะนั่งสมาธินะ ให้ปิดโทรศัพท์วิทยุเครื่องสื่อสารต่างๆอย่าให้มันมีเสียงรบกวนแล้วก็พอปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเถอะเราจะนั่งภาวนาเพียงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสามชั่วโมงมันก็ไม่มีอะไรจะเสียหายเพราะกลางคืนอยู่แล้วจากนั้นเราก็ไหว้พระยอ่อๆอ拉หังสวาคาโตสุปติปันโนจากนั้นเราจะสมาทานศีลห้าก็ได้นะ เราตั้งจิตอธิษฐานวิรัตเจตนาว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสว่างคือตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลห้าให้มั่นคงจากนั้นเราก็กราบพระพุทโธธรรมโมสังโคกราบพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ล้ำลึกถึงข้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทในหลักธรรมคําสอนให้กับพวกเรา จากนั้นเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้า ย, ขาขาาายแล้วให้ปนมมือขึ้นแล้ววางอกซะกอ่อนอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านว่าให้ไหว้ครูซะกอ่อนคือไห ว, ว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราตัวของเราที่ได้รับความรู้ความฉลาดมานี่กับเพะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำบอกกล่าวให้กับเรา เพนั้นเราจึงนอบน้อมหรือกราบคระวบครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเราจากนั้นกับพทุทโธธรรมโมสังโฆกลำลังลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นระ ล, ลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเอามือลงพออมือลงแล้วก็ บ, บริกรรมนี่นี่แหละการภาวนาทีแรกนี่ก็ก็สเปะสปะไปเรื่อยแต่ถึงยังไงแต่ถึงจะสเปะสปะ ก, ก็เถอะนะ ก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือกอไก่อย่างนี้แหะ เ, เด็กขึ้นมาเขียนกอไก่มันไม่ใช่ว่าปรับปับมาจะเขียนกอไก่ให้ตัวตรงตรงด้วยถูกต้องอมันที่เขียนตัวโค้งไปโค้งมาเตะไปตเตะมาเด็กนักเรียนที่เขียนหนังสือใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเรานั่งสมาธิใหม่ๆก็ลักษณะอย่างนั้นแหละสัตยาญาณโยมอย่าไปถือว่าเป็นของแปลกบางทีเรานั่งไปคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้พอนั่งไปเลยก็คิดเออ ถ้าเรานั่งว่ามันคิดเราก็รู้ล่ะใจของเรามันคิดออกไปข้างนอ ก, กแสดงว่าดีในส่วนหนึ่งแล้วนะเพราะว่าจิตใจของเราเราคิดออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็รู้แล้วมันคิดออกไปข้างนอกเเราก็รู้เนี่ยแปลว่าเรารู้กายรู้ใจแลยใช่ไหมต่อไปเราก็พยายามไม่ให้มันคิด <S <S 2> <S 2> ๆๆไม่ให้คิดออกไปข้างนอก เ, เออบางทีก็ดุดไปบ้างสเปะสปะไปบ้างเออบางทีก็อเอออ นอนนอนซะก่อนพักผ่อนซะก่อนคราวนี้แต่ครั้งต่อไปเราก็สังเกตดูอีกเราภาวนาดูอีกผลที่สุดใจของเราเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่ง ม, มั่นอยูนะ่ใจของเราจะรวมจะรวมเข้าสู่ความสงบนะพอจิตใจรวมสงบเข้าเข้าเท่านั้นแหละบางทีขณะที่จิตใจจะรวมเข้าเข้าสู่ความสงบนะ เออมันเป็นแค่ว่าอุปจาระไนงะพอใจมันไม่ถึงเน่งนะมันเป็นอุปจาระจิตใจอยู่พออยู่จิตใจรวมท่านนะมันอาจจะเกิดนิมิตขึ้นมาในช่วงนั้นอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทำให้คนกลัวบางทีก็เห็นพูดผีปีศาจบางบางทีก็เห็นหูแว่วขึ้นมาบางบางทีก็มีอะไรตามหลังของเร า, เ, าเหมือนเราเดินอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับมีอะไรตามตามตัวของเรา บางทีเราก็กลัวในอารมณ์อย่างนั้นบางทีก็หยุดบางทีก็ไม่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนําสั่งสอนในจุดนั้น เ, เราก็เลยกลัวขยาดไม่หยุดไม่หยุดไม่ภาวนาอย่างนั้นก็มีแต่ตามไม่จริงไม่ต้องกลัวนะขันติศตา ย, ยาตโยมลูกหลานพอนั่งภาวนาจิตใจเริ่มสงบลงเป็นหนึ่งบางทีก็เห็นเทวบุตรเเห็นเทวดา เห็นพูดผีปีศาจเห็นซากศพมีมากหลากหลายที่นักภาวนาทั้งหลายแต่ตามบัตรที่จริงบางคนถ้าหากว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาเนี่ยถ้าเราศึกษาในธรรมะขององค์หลวงตาหลวงตาจะแนะนําบอกกล่าวเลยอย่าไปส่งจิตออกนอกเนอถ้าเห็นนิมิตต่างๆ จะเป็นเห็นเทวดาเห็นเทวบุตรเห็นสิ่งที่พึงปรารถนาเห็นเงินเห็นทองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระรหัตสาวกเห็นที่ไหนไหนอย่าไปตามอย่าไปส่งไปเน้ออย่าไปส่งตามไปดูนะแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์องค์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะไม่องค์ที่ไม่รู้นะท่านจะแนะนําเออเห็นแล้วก็ดีแล้วนะตามดูนะนี่แหละจะทําให้เราเสียหายเสียหลัก เป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆึในเรื่องนี้เขาว่าทำแตกนี่แหละช่วงนี่แหละช่วงลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอย่าตามอย่าตามดูนิมิตอย่าไปตามดูความรู้ที่เราเห็นเรื่องต่างๆแต่ถ้าเราเห็นเรื่องซากศพแล้วเห็นคนตายแล้วเห็นตัวเองตายอันนั้นไม่เป็นไรพอเห็นตายแล้วเราไม่ต้องกลัวเราก็ต้องตายอยู่แล้วเนี่มันดูที่มันเป็นอย่างไงเราก็เห็นอันนี้ เป็นอสุภะปฏิคูลเห็นอนิจังทกขังอนัตตาในตัวของเราถ้าเราน้อมรับยอมรับได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่เรากลัวถ้าเรากลัวน่นก็ไม่เป็นผลดีเราก็ย้อนจิตกลับเข้ามาหากรรมฐานที่เราภาวนาอะไรที่แรกตอนเราภาวนาพทุทโธกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจากนั้นเราย้อนกลับมาก็หากกรรมฐานเดิมนิมิตเหล่านั้นมันก็จะหาย มันจะหายไปเลยแต่ถึงยังไงก็ตามขอย้ําบอกกล่าวอีกว่าในเมื่อเห็นนิมิตจะเป็นเห็นเทวดาอินพรหมที่สิ่งที่พึงปรารถนาในขณะที่นั่งสมาธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าตามอย่าตามไปดูอย่าตามไปเห็นนะถ้ามันเห็นแล้วถ้าว่าเอถ้าเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำนะํำ ผลที่สุดมันจะเสียตัวเองนะสำคัญผิดนะมันจะสำคัญตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าใครทั้งปวงนะนันแหะจุดนั้นได้จุดที่มันเสียทำให้เนิ่นช้าทำให้เสียหลักเสียศูนย์เพ้อเพอจะเป็นบ้าเป็นบออีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยทางที่จะรู้เรื่องต่างๆรู้เรื่องภายนอกอันนั้นถ้าเรานั่งภาวนาบางที ใหม่นะโดยมากมันจะหลอกตนเองมากกว่านะนิมิตมันจะหลอกตนเองมากกว่าไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมแต่เมื่อเรานั่งภาวนาต่อไปภายภาคหน้าจิตใจของเราเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาแล้วจิตจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วนะเอ่อพอมันเป็นเห็นนิมิตอะไรขึ้นมามันจะบอกเป็นเรื่องราวสาหรับเราเราก็จะได้แยกแยะได้ว่าเอออันนี้เป็นนิมิตบอกกล่าวเรื่องอนาคต หรือว่าเรื่องที่มันจะเป็นไปอันนี้เราก็รู้ได้มันเป็นมันเป็นยานรัศนะอันหนึ่งของแต่แต่แต่ละท่านท่านนั้นมันเป็นอุปนิสัยแต่พวกที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะไรเพราะว่าเรานั่งภาวนาเราไม่ไม่นั่งเพื่อหานิมิตเรานั่งเพื่อดูใจของพวกเราพยายามทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะ เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจที่เป็นหนึ่งเมื่อปิดจิตใจเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอันกันอย่างนั้นเมื่อเราถอนออกมาจากสมาธิเราก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นดูร่างกายของตนเองให้เห็นเป็นอสุภะเป็นเห็นเห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราในอย่างหลวงพ่อได้พูดสมัยหลวงพ่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นพระเป็นเนน หน้าตาก็อีกอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเป็นพระแกนะ่แล้วแล้วแก่แก่ไปไหนแก่ไปเรื่อยแก่ไปข้างหน้าบนที่สุดก็ถึงจุดจบ อ, อีกไม่นานถึงจุดจบของชีวิตเพราะนั้นนี่แหละความแก่ให้พิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อแก่เมื่อตายแล้วเป็นยังไงร่างกายของเราเขาไปเผาไฟเท็จเหลือแต่กระดูกนะนี่แหละ ไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งทุกคนเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดอันนี้ก็คือการพิจารณาทางด้านปัญญาในเมื่อเราเห็นทางด้านปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะจิตใจของเราก็รู้เกิดความเบื่อหน่ายนิพิธาคือเบื่อหน่ายส่วนใจลึกๆในจิตใจรู้ด้วยปัญญาของพวกเราขนาดร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตนของเราและส่วนอื่นล่ะ ยศถานบรรดาสักลวัดวาศาสนาล่ะจะเป็นของเราได้อยู่เหรอหลวงพ่ออินลักษณะอย่างนั้นวัดของหลวงพ่อซาลาของหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมมากมายอย่างนี้ยังเป็นของหลวงพ่อได้อยู่เหรอหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินถามหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ตอบเออไม่ใช่นะหลวงพ่ออินอย่าเป็นหลงนะขนาดร่างกายของตัวเองยังไม่ใช่ตัวเอง อีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผาร่างกายตัวเองทิ้งนะแล้วสิ่งส่วนอื่นจะเป็นของของเราได้ยังไงให้รู้จริงรู้จริงเห็นจริงนะให้รู้แจ้งเห็นจริงนะอย่าอย่าหลงนะให้ให้อย่าอย่าลืมตัวนะใจนะนี่แหละเมื่อใจเราพิจารณาดูดูใจของตนเองใจที่เป็นสมาธิใจที่นิ่งแล้วนะ่ะนํามาพิจารณาอย่างที่ว่านะพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรา จากนั้นก็ย้อน เ, เข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนะถามใจตัวเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะใจนะอย่าหลงนะให้เต็นให้เหตุตามความเป็นจริงนะจากนั้นเมื่อย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราคนนนะเออมันตูกติกตูกต็กตูกดิ ก, ดด ก, ดดกเฮามันเห็นอะไรอย่างทุกข์ทารันตาเห็นความไม่เที่ยงในจิตใจจากนั้นก็ปล่อยวางที่จิตที่ใจนะั่นแหะนี่แหละมรรคผลนิพพานที่พระธรรมคําสอนของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอน ขอบอกเราให้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนามักผลนิพพานยังคงเส้นคงวากรรมชั่วที่ไม่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะเมื่อทําลงไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะศรัทธ า, าญาติโยมพระเนนลูกหลาน น, น, น้องนะุ่งทุกๆุกองนะตนฝากกระทั่งหลวงพ่ออินด้วยนะที่หลวงพ่ออินพูดนี่ค่ะ น, นี่แนหะให้พวกเรานําไปคิด นำไปพิจารณากันกลองไตรตรอ ง, รองด้วยเหตุและผลสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกมรรคผลนิพพานมีให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสูส่จิตเข้าสู่ใจวันนี้ก็ได้กล่าวตอนรับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าหลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าของงานหรือเจ้าของพื้นที่เจ้าของ เรื่องราวเหตุการณ์ที่พวกเราคณะสัตยาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อเองขอขอบพระคุณในครูบาอาจารย์น้องนงทั้งหลายขอบบุญคุณต่อพี่น้องประชาชนสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าและก็ขออำหนวยอวยพรด้วยบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อเองได้บําเพ็ญมาตั้งแต่เป็นสมณีหรือในอดีตชาติจนถึงมาชาตินี้และก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา ยาวนานถึง58ปีฝากหวังชีวิตในพระพุทธศาสนาได้รักษาศีลในภาวนาได้ต่อสู้กับทางด้านจิตใจบุทธลนบญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมาขออำนวยอวยพรให้กับคณะทายาิโยมโลูกหลานพระเนนทุกองขอให้สุข ก, กายสุขใจขอให้มีความาสุข เรื่องความปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาทุกท่านด้วยเถินสาธุ